องผู้แต่งให้ทวงหลงไม่เป็นอาหารความโกรธไม่เป็นอาหารความทุกข์ไม่เป็นอาหารควงไม่หลงกวามไม่โกรธ ค, ความไม่ทุกข์เป็นอาหารถ้าไปบวชเดียคของหลงควมีพี้ยนเมตไพรเป็นโทษเป็นโทษ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 ดิกริดไม่งอกไปนงามทางอื่นไอ้งอกงามทางความรู้สึกตัวตัวมไม่ทุกข์ตัไม่หลงเนี่ย จ, จะให้เกิดความทุกข์ความหลงความโกรธมันไม่งอกเหมือนกับเขาดิกริตพันธุ์พืชที่มันเอามาปลูกแม่แต่พันุ์เดียวกัน เม็ดแตงเม็ดปักทองหลวตาเคยปลูกกแตงชื่อมาเป็นพันสองพันเอามาเพาะไม่เกิดเอามาปลูกไม่เกิ ด, เ, าาก เ, กดเกิดขึ้นก็ไม่มีเถาไม่มีลูกเป็นพุ่มปักทองก็เหมือนกันเมล็กอก็ไม่ไกิน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 คมสอนพระเจ้าอยู่ในตัวเราอันที่ถูกก็อยู่กับตัวเราอันที่ผิดก็อยู่กับตัวเราอันที่ถูกที่ถุกก็อยู่กับตัวเราแต่หลือเด็กเราที่ยังไม่ทำครับแต่ทาน้อยๆไม่เพียงพอน้ำน้อยอยอดแพร่ไปตองลูกมีน้อยผมหลงมีมาก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 ไม่ความหลงถ้าหลงหน้าก็เป็นความโกรธเป็นความทุกข์ไม่ไปไกลความลักความชังไปไกลแสดงความโกรธก็แสดงออกทางกายทางกรรมเป็นกิเลสเป็นกรรมไปวิบากกิเลสเป็นกรรม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 ก็ลหลงก็รู้ไม่เวลามันไม่หลงก็รู้เป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนอยู่อย่างเนี้มันจะเป็นกรรมดีกรรมลูกก็มีอะไรเกิดไปอีกแล้วความชั่วกรรมลูกก็ทำความดีกรรมลูกก็จิตใจบริสุทธิ์ไม่เปื้อนเปืเป้อนไปทางนี้กรรมลูก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 ตาวาที่ดูนี่ดูกลายเคลื่อนไหวเวลามันคิดก็เห็นมันอย่าเข้าไปเป็นด้วยว่าดูถ้าดูก็เห็นทางถ้าเป็นก็ไม่เห็นน้องตาะลรพูดว่าเป็นผู้ดูอย่าเป็นผู้เป็นมันคือทั้งหมดแล้วแล้วก็หลวดพ้น อ, อยู่ตรงนี้ถ้าใช่หนีเป็นไหน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 ชาวกทั้งหลายก็รู้เรื่องนี้เป็นส่วนมากสิ่ใเป็นทุกสิ่งใเป็นทุกสินงน้นไม่ใช่ตัวตนสิ่งใดเป็นทุกสิ่งล้นไม่เที่ยงสิงใดไม่เที่ยงสินงน้นไม่ใช่ตัวตนสิงใดไม่ใช่ตัวตนไม่ควรยึดว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราล้วก็สาธยาอยู่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 โลภของหลงไม่มีค่ากับมรักของจังไม่มีค่าจังใช้ได้ลงตัวพอดีถ้ามันเฉดมันเหลือไม่ลงตัวเอาให้มันไม่เหลืออะไรหรอกให้เหลือศูนย์ศูนยึดตาไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนศูนยึดตา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 พรธาตก็ตั้งชื่อว่าพุทธธาตุน้องชายพุทธธาตุกเรียกธรรมธาตุในพระรูปตังนี้ชวนโนกเพื่อนกันกหลองตานี่ว่าสุยตาธาตุีรูปหน่งอยู่จังหวัดอุดรว่าสังคธาตุคือรับใช้พุทธเจ้า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 มีหางเสือก็ไปไม่ถึงฝั่งเวลามันหลงลู่หางเสือเวลามันโคลู่หางเสือไปทางตรงถ้าหลงลู่ตรงถ้าหลงเป็นหลงไม่ตรงเนิ่นช้าโคดโค้งไปแล้วนี่อมันมีผีเหมือจริงๆนน้หะมันทำได้จริงๆนั่นะ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 ถ้าคนอ่นอนแอก็แพ้ประลายชัยถ้าหลงเป็นหลงว่าพ่ายแพ้ประลายชัยก็โจรไม่ออกถูกปนถูกทุกข์ปนทุกก็โจรไม่ออกคนไม่มีพลังและมีศรัทธาหลังของลักศรัทธาคือความเชื่อในความเพียรคือเหมือนานา้ำฝน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 มีพลังพลังเนี่ยทำได้ไม่หลงเป็นหลงไม่อ่อนอแอต่อมีสัาติไม่สัมผัสสัมผัสไม่ถูกต้องกวามหลงไม่ถูกต้องก็มไม่หลงถูกต้องชิทธิกร้อยไปเฉยความโกรธถูกต้อง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 ไม่เคยทำทุลองปีนี้ขึ้นได้ดีเขียวดีกว่าปลูกเสรือนววยเราก็มีปา่าไปน่าจะปลูกอย่างหนาต้นอย่างกำลังปลูกดีแค่นี้กำลังหนุ่มน้อยกำลังเป็นเบญญพัน์สามารถก้อ ง, งามได้ดีถ้าไปปลูกนะ้าถ้าไปเลี้ยงไปแล้วดูแลกลัวจะให้น้ำไม่สมอเสมอจะเกล็น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 เป็นพละมากกว่าพวกเราเห็นใจจริงๆถ้าให้เราไปทำกลัวก็ไม่ยอมรับเคยอยู่ที่นี่เช่ไห ม, มก่อนๆใอ้พระทำอาหารแถวคนไม่ยอมรับนั้นจำเป็นก็ต้องเดี๋ยวนี้วาชิกาไม่คีดเป็นพละมากที่สุดอะไรก็เป็นอ่า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 อาศัยเริญตุม้มไม่ตายเพราะเจริญตุ้มจะนดคนหมูเจริญตุม้มเจริญนดคู่ชีวิตกันสัสองปีสี่เก้าห้าศูนย์นะพวกเราด้วยนะนะอาจจะอาจจะมีพระมาอีกอาจจะย้ายไปอยู่โน้นให้พระมาอยู่กันนะ นะท่าสมควรจะเวลาคาพระผ้ามือน